ได้ดูคลิปวิดีโอหนึ่งน่าสนใจค่อนข้างยาวนะยาวนี่คือ5นาทีนะสมัยนี้5นาทีก็ถือว่ายาวมากแลนะ้วปกติคลิปวิดีโอก็ครึ่งนาทีเนี่ยนาทีหนึ่งใน a c e b o o k นาทีแรกก็เห็นคนที่คล้ายๆเสียตันโอิชินะมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็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 มีสิทธิ์จะได้รับโชคนี้ก็ก็ไม่ใช่คนทั่วๆไปนะต้องเป็นคนที่มีความทุกข์ต้องมีความทุกข์ก็ให้คนที่สนใจเนี่ยเขียนมาว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้กลังมีความทุกข์เรื่องอะไรแล้วเขาคัดเรื่องมาได้หกคนผู้ชายสามผู้หญิงสามก็มีคนนึงมีความทุกข์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 ก็ถือว่าเขามีกำลังจิตที่เข้มแข็งมากและการที่ก็ททำอย่างนั้นได้เพระเ ถ, ถึงความทุกข์ของป้า เ, เมื่อสักสึกกับปีก่อนเนี่ยมีมีคนไข้คนหนึ่งนะแกะอายุก็สิบ8็ดสิบแปดแกเป็นโรคพุ่มป่วงอย่างแรงเลยแล้วก็อาการหนักมากจะพาก็พาไม่ได้เพราะว่าร่างกายไม่พร้อมก็จะว่าเรื่องเลือดเนี่ยมีปัญหา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 รู้สึกเลยว่ า, วาชีวิตนี้มันแย่เหลือเกินมันเรียกชีวิตบัดรซบก็เลยคิดฆ่าตัวตายแล้ววันนึงก็ตัดสินใจนะเป็นช่วงเวลาหน้าหนาวหิมะตกนะเกี่ยวโตนี่รอบเกียโตที่เป็นป่าเธอก็เดินเข้าไปในป่าเนี่ยกะว่าจะให้กองหิมะมเนี่ยมันท่วมทับเธอจนตายหรือว่าตายทําการความหนาวเนี่ไม่อยากอยู่แล้วมันทุกข์มากเหลือเกินจะมีความสุขสักทีก็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 การที่ถึงนิพพานเนีมันต้องผ่านอุปสรรคมากมายมหาศาลเลยแล้วถ้าเราเจอแค่ความทุกข์แค่นี้เนี่ยแล้วเราจะมีปัญญานะไปถึงนิพพานได้อย่างไรเหมือนกับว่าเราอยากจะปีนเขาที่สูงนะแ0ดพันเมตรเขาเอเวอเรสต์แต่ว่าเจอมูลดินนะสูงแค่ไม่กี่สิบเมตรเนี่ยก็ท้อและไม่กล้าปีนป่ายข้ามมันไปนะ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 ตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยตอนที่กำลังจะตายเนี่ยเจ็บป่วยพังงาบ พ, พังงาบนี่ยสายลยอยงละยนันอุ้มันทรมานมากแล้วถ้าความทุกข์ที่เราเจอเนี่ยซึ่งเล็กน้อยเ ม, ะมะื่อเทียกับความทุกข์ในยามที่ใกล้ตายเนี่ยเรายังผ่านไม่ได้แล้วเราจะตายสงบได้อย่างไรพอคิดแบบนี้เข้าก็ทำให้ความทุกข์ที่เราเจอเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็ก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 อาจารย์นี่ก็เปลี่ยนมันก็หลวงพ่อนะแล้ววันหนึ่งก็เรียกพระรูปนี้มาแล้วก็บอกว่าให้ไปเอาเกลือมาจากโรงครัวเอามาห่อหนึ่งพอพระหนุ่มนี้เอามาเสร็จก็ท่านก็บอกเนี่ยให้โรยเกลือสักครึ่งหนึงเนี่ยลงไปในในแก้วน้ำพระหนุ่มก็ทำตามเสร็จแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ดื่มน้านั้นซะ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 อันนี้คือประโยชน์นหนึ่งนะคือมันได้เห็นว่าคนหนึ่งเ็าทุกข์กับเราอันที่สองเมื่อได้ช่วยเขาเกิดความสุขเกิดความสุขใจแล้วความสุขใจนี่มันก็จะช่วยขับไล่ความทุกข์ที่มีอยู่ได้เหมือนกับน้ำเน่านะน้าเน่าเนี่ยเราไม่ต้องไปไปดูดนะหรือว่าไปวิทย์ออกนะเหนื่อยแค่ปล่อยน้ำดีเข้ามาปล่อยน้ำดีเข้ามาน้ำดีก็ไล่น้าเน่าไปเอง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 ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆออกไปได้อันนี้เราว่าตรงกับที่ผู้เจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขยอมได้รับความสุขให้ความสุขนี้ให้ด้วยให้ด้วยทรัพย์สินเงินทองด้วยให้ด้วยวัตถุก็ได้หรือว่าให้ด้วยน้ําใจให้ด้วยเวลาให้เวลาให้ความรู้สึกดีๆให้วิชาความรู้ก็ได้น